เป็นการภารวานาเฉพาะกิจเป็นโอกาสที่เราได้ทํานอกพื้นที่ในอนาคตต่อไปในรูปแบบภาวาน า, ออาก็คงจะต้องเป็นแบบนี้บ้านงานสถานที่วัดอารามทางสถานที่ต่างก็เป็นเรื่องของพิธีกรรมเป็นส่วนใหญ่เนะมื่อวานได้ค <c oughs> ุยกันในช่วเย็นไปตอนหนึ่งในช่วงนั้นก็ยมโซพายมจุนยังไม่ได้ไปร่วมก็เลยอาจจะยังไม่ได้อินได้ฟังก็ <c oughs> เรามาพิจารณาถึงปัญหาระบบสังคการภาวนาอะไรมาทำให้ก้าวหน้าอะไรมาทําให้ช้าลงเราเอานั้นมาวิเคราะห์กันตลอดถึงมาพูดถึงช่วงสุดท้ายก็อยากจะให้โยมสุภาโยมจูนได้ฟังด้วยที่เรื่องจัดการเรื่องปัญหาระบสังคการภาวนาถ้าทําที่บ้านที่วัดต่างกันแต่ว่าปัญหาร่วมที่เราได้ไปซบคือไม่ว่าทําที่บ้านก็ดีที่วัดก็ดีก็เรื่องของอสี่เรื่อง ที่ตามที่ท่านระบุเอาไว้หลักกรรมฐานคือเรื่องของกรรมเรื่องของจิตเรื่องของอุตุและเรื่องของอาหารสี่เรื่องนี้เป็นตัวแปรที่สำคัญที่ได้วิเคราะห์กันไปเมื่อวานเรื่องกรรมคือการกระทาไม่ได้หมายถึงกรรมเก่าแต่หมายถึงกรรมใหม่เช่นการลุกการนั่งการย่างการเดินทางกายกรรมว่าจีกรรมและมะนุกรรม ทางกายกรรมก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเสียงสิ่งแวดล้อมที่ไม่สงบก็ทำให้เกิดกายกรรมวะจีกรรมมนโนกรร ม, มก็มีการพูดทำให้เกิดเสียงดังบ่างหรือคนข้างนอกหรือคนข้างในนะมาถึงใจเราเอง ก็ส่งเสียงทั้งภายในภายนอกก็ทําให้เป็นอุปสรรคตัวหนึ่งที่กายไม่มีกายวิเวกไม่มีจิ ต, ตวิเวกอุปธิเวกคือความสงบสงัดจากกิเลสก็ไม่มีอันนี้ดูหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นอุปสรรคต่อการภาวนาองค์ประกอบที่สองเรื่องจิตก็คือจิตของเราตามพุตธิมันก็วุ่นวายสับสนในเรื่องของการงานธุรสนตัวเรื่อง ภายนอกบ้านภายในบ้านเรื่องอดีตนะคตมันก็จะมาหลุมเราสมพรมานั่งตรงนี้ก่อนเรานั่งคุยกันก่อนอย่าเพิ่งไปทำอะไรว่าเราพูดถึงเรื่องเมื่อวานน่ยมาตอกยํากันครั้งหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้ฟังกันครบว่าในช่งชวงเช้าเราจะต้องนั่งมานั่งปฏิบัติและนั่งฟังธรรมร่วมกันยังไม่ต้องทําอะไรกิจกรรมโดยที่ไม่มีการเตรียมอาหารหรือเครื่องดื่มอะไรทังนั้นลุกลงกันว่าในช่งชวงเช้าจะทํากิจกรรมร่วมกันการภาวนา การออกกำลังกายแล้วกการศึกษาธทมทีนี้พูดถึงเรื่องจิตนะอุปรกรณ์ที่สองเี่ยก็คือถ้ากายกรรมวิจิกรรมไม่สงบแล้วจิตของเราก็จะไม่สงบด้วยมโนกรรมก็จะทํางานก็จะเป็นอุบัติศักต่อภาวนาอันที่สองนะคิดหงแต่งไปเรื่องราวต่างๆงานที่ทํามาแล้วหรือยังไม่ได้ทํางานที่จําเป็นงานไม่จําเป็น ในหลังนี้เราในช่วงที่เราภาวนาเนี่ยไม่ว่าสามวันห้าวันเจ็วันเราจะทำยังไงที่จะวางสิ่งเหล่านี้ลงเหมือนกับเราไม่เคยทำมันมา ก, ก่อนเราจะทำอย่างไรอันนี้ให้แต่ละคนใช้สติปัญญาตเต็มความสามารถในการดิจดการอองค์ประกอบที่หนึ่งที่สองกำจิตอุตุอุตุนี่คือเรื่องอดินฟ้าอากาศภายนอก นี่ฝ้ า, ากลับให้นอกอ่างที่เราเห็นก็คือหน้านี้เป็นหน้าหนาวหน้าฝุ่นรวมกันก็ทําให้อากาศข้างนอกค่อนข้างแรงนเราก็ต้องมาปรับอากาศภายในเข้าหาเอานะนะซึ่งถ้าหากว่ามันสูงเกินไปเราก็ไม่สบายถ้าต่ําเกินไปก็ไม่สบายปรับพอดีนะถ้าสูงเกินไปร่างกายก็จะกรอบถ้าต่ําเกินไปร่างกายก็จะ บีบคันนะปรับพอดีให้ร่างกายได้ทนได้สักครึ่งหนึ่งไม่ถึงการทนมากเกินไปก็ดูแล้วประมาณสักเจิเนี่ยพอดีหกส้าก็ต่ําไปเ5หก็สูงไปประมาณเจพอดีอากาศภายนอกภายในากับภายนอกเราควบคุมมันไม่ได้แต่ภายในประมาณเจเมื่อวานหนูพ่อไปพักที่เข้าไปพักในบานขึ้นไปข้างบนไอ้ทํำอากลัมันอบอ้าวขนาดนี้ทั้เนี้อากาศนอกเย็นมากลงมาดูข้างนอกมันเป็นเจ็บเจ คือัปรับเลยเจ็ดสิบพอดีนะอันนี้เรื่องอุตุนะที่นี้เรื่องอาหารอาหารก็เป็นปัจจัยสําคัญว่ามาก็ทุกทุกครั้งที่ทดสอบการาปฏิบัติมาอุปสรรคสำคัญนึงก็คืออาหารถ้ามากเกินไปส่วนใหญ่ในเรื่องงานในบระานเนี่ยมากเกินน้อยเกินไปนี่ไม่ค่อยมีมีแต่มากเกินไปทั้งคนก็อยากอยกได้บุญ อาหารทําอาหารเยอะแยะโดยเฉพาะวัดอาหารเกินแล้วก็เลยมาปรับว่าเลยเลยตกลงกันว่าในงานเนี้ยเราโชคดีทั้งว่ายมจุนมีบ้านสองบ้างเราไม่ห่างจากที่นี่เท่าไหร่โดยห่างจากที่กี่นาทียมจุนห้าทีกว่าเพราะฉะนั้นโชคดีตรงนี้เพราะฉะนั้นเรื่องกิจกรรมเรื่องอาหารเราจะไปทําที่นู่นทั้งหมดแลยพอ ถ, ถึงเวลาก็ใส่รถมามาวางๆเขาจะถ้าทําที่นี่ก็มีอยู่ประสักหลายอย่างหนึ่ง คือเรื่องของการใช้เสียงสองคือใช้กลิ่นนะเพราะในเราใช้แอร์วัะ น, นั้นกลิ่นออกมาก็จะทําให้บรรยากาศไม่ดีนะถึงแม้จะมีการระบายแล้วก็ตามแต่ว่ามันก็ไม่ละเอียดเพราะฉะนั้นปลอดภัยที่สุดอย่างผู้ทําก็ไม่สะดวกใจทําแรงไปก็กลัววะนะ่านับภาวนาจะได้รับกันรุกวนทําค่อยไปก็ทําให้ทําไม่สะดวกช้าอื พ้าเราย้ายไปทําอีกแห่งหนึ่งก็คือมันจะทําสะดวกมีอะไรก็ทําให้เต็มที่รวดเร็วได้ด้วยไม่ต้องเกรงว่าจะเกิดเสียงแล้วก็จะไม่รบ ก, กวนนักปฏิบัติก็ภาวนาได้เต็มที่เนี่ยแต่ว่ากลิ่นไม่เข้ามาที่นี่นะผ้ามันใหญ่ทำข้างนอกนะอันนี้ส่วนหนึ่งที่หลวงพ่อว่าเป็นดุสสะอันต่อมาก็คือไม่ไม่มากเกินไปแล้วก็เราจะทานช่วงเช้าช่วงเช้านี้เราจะไม่มีมีแต่ว่าเราตั้งน้ํำฮอนตั้งเครื่องดื่มตั้ง ซีเรีเอาไว้เรา บ, บริการตัวเองไม่มีการเตรียมให้ชว่วงเช้าเพราะว่าต้องการแค่อาดมา ก, ก็เสร็จ แ, ล, แล้วนี่ยุชงชงไอเรียลให้แก้วหนึ่งพอละช่วงเช้าไม่ต้องการนี่เอาทีเดียวก็ทะ น, นุ่นเลยอนาะหารเสร็จเ 10. 10. มื่อไรเก้าโมงสิบแปดโมงเก้าโมงสิบโมงก็เมื่อไหร่ก็ไม่นั้นมือสายนี่นะอืตอนกลางวันตอนเย็นก็เหมือนกันเชา้าคือตั้งอันนี้เอาไว้ไม่มีการเตรียมตั้งน้ําร้อนตั้ง เครื่องดื่มเอาไว้ให้ต้องการเท่าไหร่มากน้อยอะไรก็บริการตัวเองเอาเพราะฉะนั้นช่วงเช้าช่วงเย็นไม่มีการเตรียมอาหารเราไม่มีไม่มีการแกรมเครื่องดื่มแต่ของวางของสําเร็จรูปไว้แล้วคือน้ําร้อนเครื่องชงเครื่องดื่มอะไรก็แล้วแต่เอาไว้บริการตัวเองพอคือถ้าไม่หิวก็ไม่ต้องไม่ต้องใส่เข้าไปด้วยก็จามีการเตรียมและการทานเป็นทางการก็เฉพาะ ตอนกลางวันมือเดียวกลางวันก็ว่าเสร็ตอนไหนก็ทั้งหน้าจะแปดโมงก็โมงสิโมงก็แล้วแต่ช่วงเช้าช่วงเย็นก็ไม่ต้องมีการเตรียมน้ำประนะอย่างที่เคยทําแต่สําหรับพระก็ง่ายๆนะในทานอาหารก็คือพอทางเสร็จก็มาวางก็ตักกันเป็นบุฟเฟ่ไม่มีการเตรียมให้พระเราก็ตักแบบโยมพระก็ตักมาทานโยมก็นั่งบนโต๊ะตรง น, นั้นพระก็นั่งโต๊ะข้างในตักคนแจกก็ไปนั่งทานกัน ก็จะไม่ต้องมาตีวงตรงนี้เราจะได้ไม่เป็นการมาเตรียมลําบากทําทํําทาเสร็จวางตรงนั้นก็อให้สัญญาณพระตักเรียบร้อยโยมก็ตักนั่งทานตรงนั้นกล่าวว่าให้มันพอดีแนละไม่เหลือมากเกินไปพอล้างเสร็จใครเสร็จก่อนก็ไม่ต้องรอกันลุกไปล้างถ้วยล้างจานมีล้างถ้วยจา น, จานก็มาเก็บก็เดินจงกรม ภาวนาต่อเราต้องการที่จะเซฟเวลาให้มากที่สุดเพราะว่าอที่ที่เราไม่มีผู้ใหม่มีแต่คุณที่เคยภาวนามาแล้วเพราะนั้นต้องการที่จะศึกษาภายในให้มากที่สุดว่าเราจะใช้เวลาเท่าที่จําเป็นเนี่ยได้อย่างไรนะในการศึกษาเพราะปัจจุบันนี้เราต้องยอมรับว่าการภาวนาเนี่ยมันมีขยายกว้างขวางมากขึ้น แต่ว่าเราไม่มีการเรียนรู้และศึกษาปัญหาอุปสรรคเป็นเรื่องปเป็นราวก็ทําไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งมันควบคุมเงื่อนไขบางอย่างไม่ได้นี่มาอีกก็ทําที่เมืองไทยไลยคอดแต่หลังมาก็มีการเรียนรู้มีการศึกษาปรับให้ให้ดีขึ้นเรื่อยๆโดยพิจารณาว่าอะไรเป็นบ้างเป็นอุปสรรคต่อผู้ปฏิบัติเราก็จัดการเงื่อนไขนั้น ออกไปในที่สุดก็ช่วงหลังมาเราใช้เวลาไม่นานก็ได้ผลการภาวนาก็ได้ผลนะก็ทำให้ในวิธีการที่มาทำเนี่ยคนก็หันมาศึกษาปฏิบัติมากขึ้นเพราะฉนั้นคอร์ที่มาไทยคอร์สคอหนึ่งนี่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ว่าใ ค, ใครอยากเดินเข้ามาก็ไม่ไม่ได้ละต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนนะเอาเฉพาะผู้ที่ตั้งใจจะมา แล้วผู้เก่าผู้ใหม่ก็มีการพอาเดี๋ยวนี้ทั้งไลน์ทั้งเฟซทั้งอะไรมาสะดวกเขาก็เข้ามาตามนั้นเ <c oughs> ที่ยวนี้ก็เหมือนกันนะไปจัดที่แอเรนตาสามลีทีสเนี่ยข อ, ออ ข, ออของไอ้ชื่อกู้สองลีทีสของแอเรนตากับของไออิลิโนย์ลีทีสนะซึ่งก็ทําให้ได้ผลทีเดียวนะจํานวนไม่มาก สี่คนห้าคนหกคนไม่เกินสิบคนก็ได้ผลดีมากก็ใช้วิธีแบบนี้แหละมาเอง ก, ก็เลยว่าได้พยายามแก้ไขปัญหาบริสักรการภาวนาโดยเฉพาะคนที่เคยทำมาแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องบริสักรเบื้องต้นเรื่องง่วงเหงาห้านอนเรื่องเบือ่อเรื่องขี้เกียจเรื่องเสงืงเรื่องฟุ้งซ่านอันนี้ก็จะสามารถแก้ไขได้ตัวเองแหละจะสนหรับคนใหม่ที่อาจจะแก้ไขไม่เป็น แต่คนเก่าคนที่เคยปฏิบัติมาแล้วนี่สามารถแก้ไขเป็ น, นก็มันก็ก้าวไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในช่วงเช้าช่วงเย็นเราก็จะมีการช่วงเช้าจะเป็นการให้อารมณ์ช่วงเย็นเป็นการสอบอารมณ์เมื่อความว่าช่วงเย็นจะต้องรายงานอารมณ์ด้วยว่าวันนี้เป็นยังไงแต่ละคนก็รายงานแล้วก็แก้ไปตามนั้นช่วงเช้ามาหลวงพ่อก็จะว่าวันนี้เราจะปฏิบัติกันเรื่องอะไรก็จะนําเสนอ แ ว, วันนี้พูดถึงเรื่องสติในแง่ไหนบ้างที่จะต้องทําวันนี้พูดถึงเรื่องจะทําเรื่องอะไรสัมปชัญญะในแง่ไหนบ้างทําให้มันถูกวันนี้เราต้องทําเรื่องสมาธิในแง่ไหนบ้างสมาธิที่ถูกเป็นอย่างไรปฏิบัติประจําวันไปแล้วตอนเย็นมาแล้วก็มานั่งคุยกันว่าที่ไปทไําในเรื่องนี้วันนี้ทำไปแล้วออกมาเป็นอย่างไรก็ต้องมารายงานผนตามที่เราปฏิบัติแล้ว ก็รวมผลปฏิบัติทั้งวันเนี่ยปัญหาประเมินความก้าวหน้าและความไม่ก้าวหน้าและปัญหาภาษาของตัวเองในช่วงเย็นไปพร้อมกันเลยที่ได้ทําไปลักษณะเนีย่ยคือเป็นการทําเป็นปรมวิชัยเราก็จะรู้ถ้าเราสามารถเช็คตรวจสอบได้เป็นวันๆเราก็จะรู้ถึงความก้าวหน้าถอยหลังของตัวเองได้ว่าเพราะอะไรปัญหาอะไรที่มันยืดเยื้อแก่ไม่ตกเพราะอะไรอย่างเช่นโม่งเนี่ยมันเนื่องมาจากอะไร หรือเบื่อเหมืนอนนึ่งมาจากอะไรที่แก้ยากตัวฟุ้งซ่านมันเกิดยาวแก้ไม่ถูกเพราะอะไรเราก็มาหาสาเหตุกันพอในวันใหม่มาก็ต้องมาดูแก้ปัญหาเก่าเป็นไม้ปัญหาใหม่เกิดขึ้นคืออะไรอีกอันนี้คือที่เราต้องทำกันในช่งชวงเช้าช่วงเย็นในส่ว ง, ง, งกลางวันธรรมอาจารย์มงคลก็จะนั่งเป็นเป็นปฏิบัติจะสาหรับปฏิบัตินั้น ดู ว, ว่ามุมไหนที่เราสามารถปฏิบัติรับผิดชอบตัวเองได้เป็นในห้องก็ได้หรือไม่สะดวกก็ที่นี่ก็ได้นะให้แต่ละคนซึ่งเป็นคนเก่าอีกแล้วแต่ม่ให้อยู่ด้วยกันถึงในห้องห้องเดียวก็อยู่คนเดียวไม่ให้อยู่ด้วยกันแต่ข้างนอกนี้สามารถมันมีหลายมุมก็อยู่คนลมุมก็ได้ก็พยายามที่มีการเคลื่อนไหวเดินชุกๆให้น้อยแต่ว่านั่งปฏิบัติให้มากแต่โดยการใช้ปริยีบทราะในบทนั่งน่ะมันมีเยอะจะยืนจะ นั่งพับเพียบใช้พับเพียบขวานั่งทับสนนั่งคู่เขานั่งเหยียดขาหรือนั่งคาถาดหนึ่งสองสามา 1, 2, มันมีเป็นสิบๆนั่งให้เราเปลี่ยนตรงนั้นแต่เปลี่ยนนั่งแล้วรู้สึกว่าร่างกายมันหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นการเดินเดินก็เป็นการเดินช่วงสั้นๆไม่ใช่ช่วงยาวช่วงห้าเก้าสิบเก้าเดินหน้าถอยหลัง แคนั้นเองถ้าเราจะเดินเพ่นผ่านยาวๆนี่ก็ไม่ได้ที่เราจํากัดมันดูไม่นั่นเรนะเดินช่วงสั้นๆเรามุมใครมุมมันค น, นอานยุดนั่งอยู่ไหนก็เดินอยู่ตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นนี่ก็ก็ช่วยกันนะมาก็นั่งเป็นเพื่อนปฏิบัติแล้วอันไหนที่มันไม่เหมาะไม่สมไม่ควรตรงไห น, นก็จะบอกเป็นเรื่องไปแล้วก็ไม่ไม่เผือกันพูดคุยกันเสียงดังนะ เพ่ที่รักษาบรรยากาศภาวนาห ม, มือบ้านนี้เป็นบ้านฤทธิจริงๆเงียบสงัดสักดูสักห้าวันเเราจะเป็นไปอะไรบ้างามันเป็นบรรยากาศเหมือนเราอยู่ในป่าหรืออยู่ในถ้ำลองทําเพื่อการศึกษาดูเป็นไปได้ไหมแล้วต่อไปถ้ามันได้สําเร็จเราก็จะเห็นผลเออเราทําเงียบคนออกมาอย่างเงี้ยถ้าเราไปทําในสนามต่อไปเรายพยายามควบขุมเงื่อนไขอย่างนี้จะได้ไหม มันก็เป็นศึกษาร่วมกันแล้วต่อไปพวกเราจะไปเป็นผู้นําภาวนาเนี่ยเราก็ทําเป็นเรารู้ว่าเงื่อนไขที่จะทําให้เกิดความก้าวหน้าเพราะอะไรเงื่อนไขทําให้เกิดความไม่ก้าวหน้าเพราะอะไรเพราะเราได้ผ่านเป็นลักษณะเวิร์กช็อปแล้วก็ทําให้เราได้เรียนรู้ร่วมกันไปแก้ปัญหาร่วมกันถ้าต่อไปเราเป็นผู้นําภาวนาเองเนี่ยเราก็สามารถจะทําได้เป็นการเข้าโรงเรียนเนีมากลับไปที่เมืองไทยเที่ยวนี้ที่มีงานอันหนึ่งงานอบรมวิทยากร กรรมาฐานไม่ใช่เป็นนักปฏิบัติหมาควอมปฏิบัติกันมานานแล้วแต่มาอบรมเป็นวิยากรประมาณห้าสิบคนอยู่ที่ยูทุติกสมาคมเนี่ยเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็จะทํามาถึงได้ทำ เ, เวิร์กช็อปทางนี้ไปก่อนแล้วเอาไปทําตรงนู้นต่อเนเราก็จะได้คนที่ช่วยเผยแพร่มากขึ้นซึ่งถ้าหาวิญาตโยงที่เข้าปฏิบัติไม่ช่วยกันเนี่ย เขามานำภาวนาเองเราใจหวางพึ่งแต่พระนไม่ได้เดี๋ยวนี้พระครูบาอาจารย์ก็พากันล้มหายใจจากไปแต่หากวิญญาณของเราไม่เป็นผู้นำภาวนาต่อเนี่ยอืวิธีการแบบนี้มันก็หท้ายไปในเวลาสั้นซึ่งเราได้พิสูจน์แล้วเป็นวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยเพราะาเราได้เคยผ่านมาหลายวิธีตกลงกันลักษณะนี้ที่เกิย่างอยากจะถามว่าตามที่หลวงพ่อเสนอมานี่ใครว่าตรงไหนคนจะแก้ไขไหม ก็ทำได้ไหมไม่ต้องเตรียมไม่ต้องสั่งมาเนะี่ยเอาที่เท่าที่มีอยู่ที่นี่ก็ต้องสั่งมาสมามก็มาเพิ่มอีกมันมันเกินไปหลวงพ่อบอกเราปัญหาอุปสรรคของนักปฏิบัติคืออาหารเกินแต่เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งด้วยเพราะนี่ทำยังไงให้น้อยที่สุดควรจะทําอั น, นั้นก็ไว้อีกทีหนึ่งนะให้มันจบห้าวันนี้ก่อนแลังจากนั้นถ้าวหลวงพ่อไม่ คือเนืงจกพอต้องรีบกับเมืองไทยถ้าหากว่าตั๋วมันไม่ด่วนเกินไปตั๋วมันขยายออกไปอีกพ่ก็จะอยู่ต่อแต่ถ้าหากว่าตัวนมาก่อนก็เอาต่างนั้นเพราะพ่อมีงานที่ต้องรีบทำเมืองไทยงานหนึ่งก็เป็งานเพิ่มเข้ามา ใ, ใกล้เนี่ยเพราะเป็นข้อตกลงของเอเจอของแคนาดากับไทยที่เขาจะทำเรื่องภาวนากันนี่นะเพื่อเขาจะนําเข้าไปสู่ไอนะ้แบบพุทธานะว่าวัดค่าจีดีพีความสุขของคนหรือที่ไม่ใช้ ความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจจะช้เติบโตดูทางความสุขได้อย่างไรก็ดูใช้กรรมฐานเป็นตัวนําเขาจะทําที่เชียงใหม่เขาก็เลยติดต่อมาว่าวันที่หกเจ็ดแปดเก้าที่หลวงพ่อตั๋วเก่าที่จองเอาไว้มาลงวันที่ห้าไปถึงวันที่เจ็ดมันยังไม่ทันเวลาในตอนนี้ก็ทําให้เขาเลื่อนตั๋วเข้ามาให้ไปถึงก่อนวันที่ห้าแต่ไม่รู้มันจะได้วันไหนก็แล้วแต่เพราะตอนนี้มันลักษณะแสดบายอยู่ต้องการว่าคนไหนแขนงซู้ตั๋วเราก็จะแทรกเข้าตรงนั้น ซึ่งจะเป็นวันไหนอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะเพราะมันฉุกเฉินนะนะแต่นั้นเรืออาหารไม่มีปัญหาเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารที่เรา ย, ยัางไม่ได้ปรุก ม, มันก็ไม่เสียนะ เ, เก็บไว้เวลาเสร็จงานแล้วมันเหลือเยอะเราก็ให้แต่ละคนแพกไปทําที่บ้านต่อใครว่ามันไปปลูกเบิกที่บ้านไม่มีปัญหาแต่วันตึงเนี่ยเราต้องการเงื่อนไขแบบนี้ก่อนเพราะ น, นั้นเรื่องอาหารพรเรากินกันมาเยอะแล้วแล้วหลังจากงานนี้ใครจะไป น, นอนกินให้อิ่มไปแรกก็เตรียมที่ได้เลยนะไม่มีปัญหา แต่ว่าในช่วงงานนี้เราต้องการความเบาพร้อมตรงนี้พรมันหาเวลายากแล้วต้องการท้ามันได้ผลดี้นไหมายความยืมชนก็ได้บุญเยอะๆอะบ้านเราก็เป็นบ้านภาวนาบ้านหลังนี้ก็จะได้ชื่อหมายว่าบ้านภาวนาแล้วมันก็ทําให้เราได้มาจะได้มาใช้กันบ่อยอย่างเี้เป็นต้นลองลองทำงานแรกให้มันได้ก่อนว่าช่วยกันแก้ไขเงินไขต่างๆ แล้วตรงไหนที่ที่หลวงพ่อพูดแล้วเราไปทําไม่ถูกต้องหลวงพ่อค่อยบอกออกค่อยเป็นเรื่องๆไปถาะหลวงพ่อว่าถ้าเกิดตอนเช้าเนี้ฉันอาหารก็นแล้วเนี่ยยมจะไปเยี่ยมยุมจรก็ได้ฮะ แ, แต่ช่วงเช้านี้หลวงพ่อบอกแล้วว่าไม่ต้องทําอาหารเพียงแต่เตรียมอะไรที่ชงกินเองเรียบร้อยแต่ทานอาหารแต่กลางวันก็พอกใช่แต่ว่ายุงจูก็ทําตามหน้าที่นั่นแหละเดี๋ยวก็เสร็จแล้วก็กลับมาท่านเองนะอันนี้นภาวนากันต่อเพียงแต่ว่าตอน ปรุงอาหารเนี่ยไม่อยากจะให้มันกินรบกวนเสียงรบกวนอย่างเงี้ยนะเขากล่าวว่าเอาใครเป็นหลักสองคนก็พอถ้าโยมจุนมีเวลาก็แว บ, บไปช่วยได้งันยมพิมพไม่ต้องดยมพิมพ์ก็ภาวนานสมพรกย็ยโยมกี้เวลาสองคนก็ใช้ได้ละ <c oughs> แต่ทำอะไรก็แล้วแต่นะไม่ให้มันหนักเกินไปโอเคดับนั้นเนาะ โอเคช่วงเช้าช่วงเย็นเดี๋ใครหิวก็เอไปชงอะไรให้รองท้องก็ได้แล้ ว, แ ล, วแล้ววา่าวางไว้ตรงนั้นก็ไปจัดการกันเองคือไม่ไม่ให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไม่เสียเวล า, าว่าเราไม่ได้รวมกันบอกใครใครจําเป็นต้องหิวว่ะไปทานทานเสร็จลงมาภาวนาต่ออย่างนี้นะคือทุกครั้งนะเออถึงเวลารับอาหารเช้าถึงเวลารับ น, น้ำภาวนาต้องหยุดกันไปทําเป็นเรื่องเวลามันมันเสียเวลาบางคนที่ต้องการภาว น, นานี่นะ เราก็จะไม่ทํางันหมายความว่าในช่วงเย็นมาใครหิวเอเดินไปชงไว้ทําไว้ที่เตรียมไว้ให้เรียบร้อยก็กลับมาภาวนาต่อถ้าได้เวลาแล้วก็มาทำวัดสนหมู่เราไป ส, สอบอัลลุมกันในช่วงเย็นนั่นะก็เมื่อสอบลมเมื่บนก็อาจจะพังวัดแค่นะ้ามูจบแล้วสอบอัลลุมกันต่อมีเวลาเหลือเราก็ไม่ต้องที่เนี่ ต, ตั้งรถตโตนั่งตรงนั้นเลยพรากก็ไป ทานตรงนั้นมีตัวของพระอยู่แล้วข้างหลังไงใช่ไหมก็แล้วแต่แล้วตอนไหนเกาตอนนั้นอาจจะเป็นเก้าโมงสิบโมงสี่โมงก็แล้วแต่ให้มันเสร็จเป็นหลักไม่เอาเวลาเป็นหลักเอาให้เสร็จเป็นหลักก็บอกแค่นั้นเองนะเพราะมันจะได้ไม่ต้องเล่งตัวเองถ้าไปกำหนดเวลาเพื่ออยาให้ท่านเวลาก็เล่งเล็ ง, ลงอะไรทำนองนี้มันจะไม่ดีแต่ถ้าหากว่าไม่ต้องจํากัดเวลาแล้วแต่จะทําไปเสร็จเมื่อไหร่ก็ไม่นั้นเอาอย่างนั้นที่ฝ่านะมันจะได้ดูว่าเงื่อนไขมันไม่มาก คุณภาวนาก็ไม่ต้องรอเวลาจะถึงเวลาไม่ต้องเที่ยงคืนเสร็จก็คือเมื่อไหรก็ไม่นั่นนะแล้วแต่แม่ครัวให้สัญญาณก็หมายความว่าถึงเวลาเข้าใจนะเราจะพยายามเลาะเงินไขอะไรที่มันทําให้เราเกิดอุปท า, านเออเนี่ยเดี๋สิบมงครึ่งนะไอ้คนหิวก็จะต้องดูเวลาเรื่องเมื่อไรถึงสิบโมงครึ่งทีไอ้คนทําก็รุนเมื่อไรจะทันเวลาแล้วพอสิบโมงครึมันก็ตั้งด่า ง, งสร้างผลไม่ดีทั้งสองฝ่าย ไม่ขอมาด่ามันไม่มีเหตุเงินไขว่าไม่ต้องตั้งเวลาแล้วกันเมื่อคุณจะทําเสร็จแล้วก็ทําไปสบายๆใช้สติไปด้วยนับปฏิบัติกับภาวนาไปนะเพราะความหิวเป็นผลดีต่อร่างกายมันทำให้กระโดดฮอร์โมนมาหลังทําให้อายุยืนเงินทุกวันนี่เราไปโรคไขข้เจ็บเพราะกินด้วยที่ไม่หิวมันเกินของความจําเป็นของร่างกายเราถึงหนักหน่ว ง, ง่วงเหนากันไม่ไม่จบกินแล้วถึงอยากจะนอนได้ทีนี้ แต่ที่พอแบบนี้เมื่อกินแล้วมันไม่นอนละมันจะทำหน้าที่ต่อได้เลยเข้าใจนะ